ถ้ามีถ้ามีคาถามก็ตอบคาถามก็ได้มีไหมมีใหมมีถ้ามีคาถามตอบคำถามก็ได้พดีแล้วก็พวกเรา็นังภาวนาไปนังภาวนาไปแล้วเวลาครึ่งชั่วโมงาาตงถามนะครับ สลับกับเบาเป็นเพราะ อ, อะไรครับหนักขึ้นสลับกับเบาก็เพราะมันมึนมึนชาน่ะแหละมันมึนมชาบางเบาบางที่ก็เ บ, บาเหมือนตัวลอยตัวออกเนบชาดูให้ชัด และหลังออกสมาธิพบว่ามือบวมขึ้นมาสักพักก็ครายได้มีสาเหตุจากอะไรได้บ้างหรือควรปรับวิธีในการนั่งของตัวเองหรือไม่ครับนั่งแล้วมือบวมนั่งสมาธิแล้วมือบวมเะว่าไงนะนั่งภาวนาแล้วมือบวมครับนั่งภาวนาหลังจากออกจากสมาธิ รู้สึกว่ามือบวมก็เสดว่าสุขภาพเรามันไม่ปกติแล้วเคยช้าเลือดออช้าน้าช้าน้าช้าบวมอ่ะบวมมันบวมอ่ะก็ไม่อยากเราเรายืนนานๆนะเท้าบวมบางคนต้องนอน นอนเพื่อไม่ให้ให น, น้ำมันลงดินลงรองเท้าเนี่ยร่างกายของเราไม่ปกติเป็นเบ า, วาหวานเป็นอะไรไปอย่างงั้นแหละการภาวนาไม่ใช่เพชฌฆาตการภาวนามันไม่ใช่ที่จะไปเป็นโทษที่ขนาดนั้นดูนให้ออกอย่าไปสูงไปเดา สุมเดาถ้าเราสุมเดาก็สุมเดาให้เกิดประโยชนะ์อย like ่าไปสุมเดาเก ouais ิดโทษสุมเดาเกิดโทษหมายความว่าเราไปสุ่มเดาแล้วไปทําให้เราหมดกําลังใจเราพูดในแง่ให้เกิดกําลังใจกําลังใจแก่ตัวเราเองเราพูดในแง่เกิดกําลังใจเพราะทั้งทั้งพูดให้เกิดกําลังใจหรือคิดให้เกิดกําลังใจกับคิด ให้บัน่นทอนกำลังใจมันไม่ใช่ตัวเหตุที่เรามาคาดมาเดาอย่างนั้นมันมีตัวเหตุที่เราจะเข้าไปรู้ถ้าเราไม่สามารถจะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นได้ด้วยเหตุที่เรามาคาดมาเดาอย่าไปเดาในทางเสียหายเดามาในทางที่ถูกเหมือนอย่างเรามาทํานายฝันเนี่ยเราจะไปทำนายทําไมทํานายไปในทางเสียหายมันเราไม่ทํำนายเราทำนายมาในทางที่ดี ทำนายมานในทางที่ได้เปรียบที่สุดสมมติเราฝันว่าเราค่าเขาเนี่ยเราคิดว่าเราจะฆ่ากิเลสให้กเลให้อยู่หมัดในมือสิแน่เอาเปรียบได้เปรียบเนี่ยมันมีกำลังกำลังใจที่จะสู้กับกิเลสเราตีมาอย่างเงี้ยเราได้ประโยชน์เราจะจะตีไปในเงียให้เกิดโทษต่อไปของใคร อากนิพพานจะต้องปฏิบัติอย่างไรนั่นสมาธิเดินจงกรมไปเรื่อยๆจะนิพานได้ไหมหรือต้องศึกษาพระสูตรสําคัญบทใดและต้องศึกษาลึกซึ้งใหม่ไหมครับโอ้ oh. พูดพูดมาตั้งแต่เริ่มต้วนวันนี้ก็พูดตรงนั้นนหะพูดพูดตรงจุดสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นเครื่องมือเครื่องมือของงานอย่างดีถ้าสิ่งเหล่านี้บกพร่องไป นิพพานก็หมดหมดหวงนะังแลแต่ถ้าสติเราดีสัมมิชญญะเราดีนิพพานเราก็พอจะมีหวังสติที่มันโรูอยู่ในปัจจุบันเนี่ยระพาวราพุทโธพุทโธพุทโทพุทโธก็อยู่เมื่อพุทโธอยู่ใจของเราก็สงบนี่เใช่ไหมได้ผลไหมได้ผลไหมนิพพานไหมดับไหมกิเลสดับไหมคําว่า น, นิพพานนิพพานแปลว่าดับกิเลสดับนิพพานคือความดับ ดับในนี้หมายความว่าตัณหาดับกิเลสดับกิเลสก็คือตัณหาตัณหาก็คือกิเลสเราไม่ปล่อยให้ตัณหามันมาแทรกในหัวใจของเราได้ก็เหมือนอย่างเราพิจรารณาเวทนาเวทนาที่เราพูดจบลงไปเมื่อกี้เราพิจรารณาเวทนาเราเอาสติสักแต่ว่ารู้เพราะสติตรงนี้มันเป็นพลังมันมีพลังในตัว สติมันสง่งมันส่องไปตรงไหนตรงนั้นนี่จะโรคจะมีพลังโมหะมันจะไปครอบคลุมไม่ได้เมื่อโมหะครอบคลุมไม่ได้ตันหามันก็โผล่ไม่ได้ในเมื่อตันหาโรล่ไม่ได้มันก็ดับขั้นหนึ่งระดับระดับหนึ่งของมันนี่เป็นการก่อก่อเนื้อก่อตัวสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อเป็นการดับทุกข์ <c oughs> อยากไปนิพพานก็คือดับทุกข์นั่นแหละ ดับทุกได้คือนิพพานดับทุกเพราะพระนิพพานนั้นเป็นสภาพที่ดับทุกรอบปรินิพพานปรินิพพานดับรอบดับรอบดับรอบในที่นี้หมายความว่าดับทุกดับพกดับชาติดับปั่นจากขันเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเรียกว่าจึงเรียกว่าปรินิพพานปรินิพพานดับรอบ ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็พูดถึงการต่อสู้เวทนาเมื่อตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจไม่ได้ไอ้แค่เราตีทำงานพูดถึงเรื่องความฝันเมา่อกี้นี่อคือความตั้งใจไม่ตีไปในแง่เสียหายตีไปในแง่เสียหายเราก็เสียกำลังใจเพราะเราเสียกำลังอย่างคนเราทำอะไรหมดกาลังใจเราจะเอาอะไรมาทำได้จับอนั้นกวางจับอันนกวางจับอนักโยนจับอันนกโยน จะเขียนหนังสือจะเขียนอะไรจับปากกากรโยนปากกาจับกระดาษกรโยนกระดาษมันไม่มีกําลังใจจริงไปทํางานทําการด้วยแล้วเนี่ยมองเห็นงานเห็นการกันหน้าเบื่อไปหมดเลยเพราะมันไม่มีกําลังใจเราพยายามสร้างกําลังใจให้กับตัวเองถ้าเพื่อเราตั้งใจจะสร้างแต่ถ้าถ้าเพื่อเราจะเจริญมากให้เราพยายามย้อนไปดูเหตุดูเหตุของมันย้อนไปดูเหตุ ก็เหมือนอย่างเราพิจารณาเวทนาก็คือเราพยายามย้อนไปดูเหตุดูเวทนาดูเวทนาดูเวทนาเวทนาเป็นเราเราย้อนไปที่เหตุย้อนไปที่จิตย้อนไปที่จิตเราจะเห็นว่าตัณหามันโผล่ที่จิตมันยึดว่าเวทนาเป็นเราตัณหามันเกิดมันจะเกิดที่ใจมันเกิดที่จิตมันเกิดที่จิตมันดับที่จิตมันเกิดได้หมดนั่นอืละ อายตนะสิบสทาสิปอินทร1ย์สแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นที่เกิดของตัณหาทั้งนั้นถ้าเราปราศจากสติเสียอย่างตัณหาเกิดได้ทั้งนั้นอย่างตาเนี่ยก็เป็นที่เกิดของตัณหารูปเป็นที่เกิดของตัณหาแต่เว้มันอยู่มันอยู่จริงๆมันอยู่ที่ใจตัณหามันอยู่ที่ใจ ตัญหาคือกำลังคือเรี่ยวแรงของเกลียดทั้งหมดที่อยู่ในหัวใจของเราก็คือพลังชั่วร้ายที่มันมีแฝงมากับใจของเรามันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราของใจของเรามันไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมมาอย่างไหนเนื่องจากว่าใจเราขัดเกลาอย่างไม่ถึงที่สุดใจเราขัดเกลาไม่ถึงที่สุดธาตุรู้ของเราเป็นธาตุรู้ที่ดิบๆยังดิบๆอยู่ชะลา้างยังไม่หมด ถ้าชำระล้างได้หมดก็คือสะอาดเต็มรอบโดยเหตุที่ชำะล้างไม่หมดนั่นแหละมันมีสิ่งที่เป็นมวลทินติดมาด้วยเปื้อนมาด้วยกิริยาอาการเขอามันก็คือเรื่องเกิดความโลบเกิดความโกรธอิจฉาริษยาพยาบาทอันนี้เป็นกิริยาอาการของมันที่มันแสดงออกมาซึ่งเกิดจากเกิดจากความเลวร้ายของใจของเราที่มันยังมืดมนอนตการอยู่ไม่รู้บุญไม่รู้ไม่รู้คุณไม่รู้โทษ เมื่อรู้บาเเมรู้กรรมแสดงตามนั้ความชอบใจมาไดอยังเนคเมางได้ถามว่าต้องศึกษาพระสู่รสำคัญบทใดและต้องศึกษาลึกซึ้งใหม่ครับหรืออาศัยฟังธรรมและปฏิบัติดูไปก็เพียงพอฟังธรรมปฏิบัติอันนี้มันเป็นภาพปฏิบัติอยู่แล้ว ศึกษาพระสูตรไปศึกษาเฉยๆเราไม่เอามาปฏิบัติมันก็ไม่สําเร็จผลพระสูตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือมหาสติปัฏฐานสูตรเดี๋ยวนี้ที่ที่วัดเราเราพาสวดมหาสติปัฏฐานสูตรมีมีสักเล่มไหมเราไม่ได้มาอ่านสักเล่มไ ม, ไม่มีสักเล่มเลยมันมีอยู่ทั่วๆไปมหาสติปัฏฐานไปดูในสวดมนต์ฉบับหลวงมีมหาสติปัฏฐานสูตร มาสี่ปัญหาก็คือท่านพูดถึงกายเวทนาจิตธรรมซึ่งอธิบายตลอดมาตั้งแต่เช้าเนี่ยภาคปฏิบัติเรากำลัอธิบายตั้งแต่เช้ามาจนเดี๋ยวนี้มาสี่ปัญาเนี่ยแหละพูดถึงกายพูดถึงเวทนาพูดถึงจิตพูดถึงธรรมเนี่ยพูดมาตั้งแต่เช้าต้องศึกษาลึกซึ้งไหมลึกสาศึกษาก็ศึกษาอยู่ในวงในศึกษาภาคปฏิบัติแบบที่เรากำลังอธิบายอยู่นี้ ทำอยู่อย่างนี้แหละขบเขี้ยวกันอยู่อย่างนี้ขัดสีกันอยู่อย่างนี้แหละจนกว่าเราจะดับเจ้าตัวตัญหาได้ดับความอยากได้ในขณะเดียวกันเราก็เจริญสมาธิเข้าไปเจริญสมถะแล้วก็พิจารณามหาสิปัญหานเจริญสมถะแล้วก็พิจารณามหาสิบปัญหาเพราะตัวมหาสติปัญหานนั่ยนะเป็นตัววิปัสนามันเป็นตัววิปัสนากือชื่อว่าเราเจริญสติเจริญสติ เหมือนอย่างเขาพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอเขาก็เจริญสตินั่นแหละทำใมสติแน่นหนามันของมันก็เป็นหลักของมหาสติปัฏฐานตามพิจารณากายกำหนดรู้กายกำหนดรู้เวทนาเจ็บหนอปวดหนอกำหนดดูกายกำหนดดูอิริยาบถย่างหนอเหยียบหนอย่างหนอเหยียบหนอนั่นอิริยาบถทําความรู้สึกกํากับไปกับกาย เอาอะไรไปรู้สึกก็สติตัวตื่นตัวนี้แหละไปกํากับ น, นี่แหละคือการตั้งใจปฏิบัติอย่างลึกซึ้งนี่นี่คือตั้งใจเป็นภาคปฏิบัติไอ้คาว่าลึกซึ้งในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงผลปรากฏหรือหมายถึงอะไรก็หมายถึงการตั้งใจปฏิบัติเหตุให้เพียงพอตอราบใดที่เหตุไม่เพียงพอผลจะไม่ปรากฏเหมือนเราถูถูไม้เกิดไฟถ้าเอาไม้สด ชุ่มระย่างด้วยแล้วเนี่ยเอาไปถูหมดหวังหมดหวังที่จะเกิดเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าเหมือนอย่างพวกเราไม่พยายามจะเภาวนายใจได้รับความสงบซะก่อนแล้วก็มาตั้งใจปฏิบัติมันก็โดดนูน้นโดดนี้โดดนี้โดดนั้นโดดไปโดดมาโดดมาโดดไปโดดไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรตั้นหาสวมรอยตั้ห า, าาตหาสวมรอยก็ปั๊บมันก็ไปใช้แล้วตั้หาสวมรอยปั๊บอาไปช้แล้วเพราะมันไม่มีกําลังเป็นตัวของตัว มีสมาธิมันมีจะมีกําลังเป็นตัวองตัวที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไม่ผิดท่านสอนให้เราเจริญสมาธิแล้วก็เจริญวิปัสนาวิปัสนาก็คือเจริญปัญญาเจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาเจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาถ้าเราจะมาเรียกอีย่างหนึ่งก็คือสมถะแล้วก็วิปัสนาสมถะวิปัสนาอ่ามันกะตัวอนเดยวันตัวหนึ่งทําให้สงบตัวหนึ่งพิจารณาหาเหตุหาปัจจัย ตัวหนึ่งทําให้สนุกตัวหนึ่งหาเหตุหาปัจจัยเพราะว่าตัวทุกเวลามันเกิดนะเวลามันเกิดมันเกิดที่สาเหตุเราพิจารณาไปถึงสาเหตุไปดับที่สาเหตุด้วยเหตุที่พวกเราไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเราพยายามจะดับตัวทุกเหมือนอย่างคนที่เขาพยายามมัดคอตายมัดคอตัวเองตายการตั้งยายมัดคอตัวเองตายนั่นคือเขาพยายามดับทุกแต่มันเป็นการดับทุกไม่ถูกที่ ตัวนั้นเป็นเป็นตัวทุกมันไม่ใช่เหตุให้เกิดทุกเหตุให้เกิดกายมันมีอีกตั้งหากมันไม่ใช่ตัวนั้นมันไม่ใช่ตัวนั้นเหตุให้เกิดกายมันมีอีกตั้งหากเราต้องการจะดับทุกเรากาหนดรูทุกแล้วก็ย้อนไปดับสมุทัยเงินหลงตาท้าสนกำหนดดูทุกย้อนไปดูสมุทัยย้อนไปดูหรือย้อนไปพิจารณาหรือย้อนไปดับ ย้อนไปรู <Christians> ้ย <zag> ้อนไปเห็นรวมลงมาที่ความรู้กับความเห็นพอเราไปเห็นแล้วมันก็ดับพอเราไปเห็นแล้วมันก็ดับไม่จะเป็นว่าเราจะต้องทุบต้องตีต้องตักต้องฆ่าต้องแกงต้องอะไรมันย้อนไปเห็นแล้วมันก็ดับย้อนไปเห็นแล้วมันก็ดับการไปเห็นนั่นะเอาสติเอาปัญญาไปเห็นเหมือนกับเอาแสงสว่างส่องเข้าไปเห็น พอส่องไปเห็นแล้วก็อ๋อมันหมดสงสัยอ๋อมันหมดสงสัยส่องเห็นแล้วก็หมดสงสัยถ้ายังไม่ส่องไปเห็นเนี่ยมันไม่หมดสงสัยความสงสัยนั่นแหละคืออสรพิษคือพิษส่งของมันเหมือนอสรพิษมันชอบชอบอยู่ในที่มืดนะตรงไหนมันมืดๆตาขาวแมงป่องมันชอบไปอยู่ตรงนั้นงูเห่างูสายจงอางมันชอบไปอยู่ตรงนั้นตรงไหนที่มืดๆเราเอาความสว่างไปใส่ปั๊บ เพราะนี่หนีหมดหนีหมดอสารพิษเหล่านี้หนีหมดในใจของเราก็เช่นเดียวกันสมุทยัยถ้าเรายอร้อนไปเห็นสว่างรูกิริยากาเรเหล่านั้นมันก็ดับเพราะฉะนัะ้นเพราะยะตัวสมุ ท, ทัยจะแท้เนี่ยตัวตันหาจะแท้เนี่ยไม่มีตัวตนพอเราส่องไปฉะไปล้างไปฉะไปล้างไ ป, งไปมันเหือดไปแห้งไปแห้งไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือ เพราะมันไม่มีตัวไม่มีตนมันมีแต่กิริยาอาการที่มันแฝงอยู่กับจิตกิริยาอาการเหล่านี้ช้าได้ไหมล้างได้ไห ม, ไไ ห, มหมดได้ไหมช้าได้ล้างไ ด, งได้หมดได้เอาอะไรไปช้าเวลาเอาสติเอาสัมผััญญานี่แหละนี่คือการมาศึกษาอย่างเข้มข้นแล้วนะศึกษาอย่างยิ่งยวดศึกษาอย่างเข้มข้นเลยตามที่ตามตามที่ถามมานี่เอาเอง ในช่วงนั่งสมาธิสิบห้าถึงยี่สิบนาทีบักมีอาการตึกอัดหายใจไม่ออกเป็นเหน็กขึ้นที่ขา<ม>พยายามอยู่กับทุกโถก็ดีขึ้นแต่ยังปวดขาเป็นระยะและพยายามสู้กับกิเลสที่บอกให้ถอนจากสมาธิท่านพระอาจารย์มีข้อแนะนำอย่างไรครับก็ส อ, อต่อสู้อย่างนี้แหละบอกว่าคนจะยอมแพ้เนี่ยให้ต่อสู้ซะก่อน ต่อสู้และศึกษาไปด mm ้วยสังเกตสังกาไปด้วยถ้าเราไม่ต่อสู้เราไม่สังเกตสังกามันจะมีความชนะได้ย่งไรมันกระพร้ทุกครั้งพอไปถึงตรงนั้นกระพ้ทุกครั้งไปถึงตรงนั้นกระพ้ทุกครั้งหนังหนักเข้าเอานั้นมาอ้างเอานี้มาอ้างโอ้ยเจ็บนู้นโอ้ยปวดนี่โอ้ยเราะนี่กำเริบโอ้ยเรานี้กำเริบเอานั้นมาอ้างเอานี้มาอ้างเลยทิ้งมันผู้ที่ตั้งใจภาวนาจริงๆท่านภาวนาเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปเลย จนโรคบางอย่างหายไปเลยโรคบางอย่างหายไปเลยเหมือนหตาท่านภาวนามีโรคเสียดแทงอะไรเนีเราฟังในประวัติของท่านท่าพิจารณาพิจารณาไม่ปล่อยเนะี่ยพิจารณาไม่ปล่อยไปเหมือนไปชะไปล้างไปฟอกไปอะไรต่ออะไรเลยไปครับไปต้อนจนไม่มีที่อยู่ไอ้โรคตัวนั้นมันไม่มีที่อยู่มันด้วยรีบด้วยเดือดด้วย อะไรเราก็ไม่รู้เลยแต่มันหากมันเป็นพลังอย่างหนึ่งที่มันสู้กันอมันสู้กันจนจิตสงบเพราะจิตสงบเพราะจิตสงบอันนั้มก็ดับเพราะอนั้นดับมันก็หายหายมันรู้หายไปไหนละพอเวลาถอนออกมาไม่รู้หายไปไหนละหายแล้วต่ว่าเป็นโรคที่ตายซะด้วยนะโรคนี้จับไครตายจับไครก็ตายท่านไปพักอยู่ที่ป่ายชา เดี๋ยวเขก็หามาเดี๋ยวเขก็หามาโรคนี้แหละโรคแทงเสียบแทงเนี่ยสองสัมันตายสองสัมันตายมันไปจับใครปั๊บสองสัมบันตายสองสัมันตายหายใจไม่ออกหายใจยาวกับแทงหายใจสั้นกับแทงเราหายใจปั๊บกับแทงแทงแทงเสียบแทงโรคเสียบแทงในที่สุดเรหายใจไม่ออกตายได้เหตุที you, ่ลงตาท่านอยู่ในปราชญ์เดี๋ยวก็มามาตริกา เดี๋ยวมาอีกแล้วไปมาติกามาติกาไปมาติกามาเนี่ยโรคมันเกาะโรคมันเกาะท่านอ่ะท่านนะั่งภาวนาเอบตายเลยไม่ได้กินอยู่กินยากินอะไรเลยเอาสู้กันรู้กันเลยนะดูไว้เห็นความตายแต่ท่านไม่ได้จับเสือมือเปล่าเนี่เพียงแต่เราเอาวิธีการมามาเล่าให้ฟังเฉยๆถึงขั้นนั้นระดับนั้นแล้วท่านไม่ได้มือเปล่าท่านไม่ได้ต่อสู้กับเสือมือเปล่า แต่มันเป็นวิธีการที่สงบระงับด้วยกันฟอกกันสักกันฟอกกันระงับได้ดับได้อัอนนี้ของการครับเมื่อบริการพูดโทรต้องไปพร้อมลมหายใจเข้าออกก็ถือไม่คือหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรครับให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันให้มันเป็นอันเดียวกัน จิตย uh, really ับยับยับยับเนี่ยให้มันเป็นอันเดียวกันเลยให้มันเป็นอันเดียวกันอ่ามันทําได้พอมันหายใจเข้ารเรากำหนดพุทธหายใจออกเรากำหนดโทหายใจเข้าพอเราว่าไปว่าไปว่าไปมันทิ้งคําว่าพุทโธแต่มันเกาะอยู่กับลมก็ไม่เป็นไรล้วก็เกาะอยู่กับลมหรือมันทิ้งลมมันมาอยู่กับคำว่าพุทโธก็ไม่เป็นไรแล้วก็อยู่กับคําว่าพุทโท อต้องกําหนดอยู่อย่างนี้นะแต่มันจะได้รับความสงบได้ได้รับความเบาอกเบาใจอันนี้เป็นหลักม้าสติปัฏฐานนะที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนี่เป็นมาหาสติปัฏฐานโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเราไม่รู้สึกตัวมาหาสติปัฏฐานก็คือในนั้นเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งวิปัสนามันเป็นการหัดพิจารณาไปโดยอัตโนมัติ นี่คือการหัดพิจารณาตามหลักมาสติปัฏฐานนี่เป็นการหัดพิจารณาเอาอะไรมาเป็นสติเอาอะไรมาเป็นปัญญาก็เอาพลุเอาขุมพลังจากปัญญากับสมาธิกับสติกับสัมปัญญานี่แหละตล่อ ร, รวมเปน็นอันเดียวกันนะครับทํางานอย่างใดอย่างหนึง่งด้วยเรี่ยวแรงกําหนดจุดจ่อมุนอยู่นั่นแหละด้วยความตั้ง อ, อกตั้งใจ <c oughs> เรา <c oughs> เรา <c oughs> เราลองมาหัดตั้งใจดู เขาทำยังไงเราถึงจะใช้คําว่าตั้งใจตั้งใจตั้งใจก็คือเอาให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้ตั้งใจทําให้ได้ตั้งใจทใําให้สําเร็จนั่นคือความตั้งมุ่งตั้งใจมันจะมีฉันทะอยู่ในนั้นมันมีความพอใจความพาคความเพียรก็มีอยู่ในนั้นมีฉันทะวิริยะ จิตตะวิมังสาจิตตะกับวิมังสามันเป็นเรื่องของปัญญาปัญญาตาพิจารณาดูเหตุดูปัจจัยปัญญาตามพิจารณาดูปัญหาปัญหาอะไรเกิดขึ้นแก้อะไรปัญหาอะไรเกิดขึ้นแก้อะไรปัญหาเกิดขึ้นแก้มันทํางานตล่ำไปด้วยกันมันทํางานตล่ำไปกันมันโร่ว่าถ้มีตัวสติตัวสัพพัญญาอยู่ในนั้นมันจะโร่ทํางานกํากับกันไปด้วย เราจะสงสัยอย่างเดียวใหตตใ้ต้องใจทำทำจนมีทำจนเป็นทำจนเกิดต้องใจทำอีกคำถามสุดท้ายครับการอภิส ก, การหากขณะปฏิบัติเกิดเวท น, นามากและไม่สามารถแยกกายกับจิตได้จะมีวิธีการอย่างไรครับ มื่เรารู้กำลังว่ากําลังเราไม่พอคนที่เราจะถอยตอนนี้กูยอมมึงเสียก่อ น, นเดี๋ยวกูจะรวมพลังเอาอีกกูจะเอามึงให้ได้กูจะเอามึงให้ได้ก <c oughs> ูจะผ่านมึงให้ได้กูจะผ่านมึงให้ได้ถ้าเราตั้งอยู่อย่างนี้หน่ยช้าเร็วรู้กันช้าหรือเร็วรู้กัน พราว่าเสร็แล้วเราผอให้มันซาพลิกเปลี่ยนในระหว่างที่พลิกเปลี่ยนก็ดูดูความดีใจความเสียใจในระหว่างที่มันปวดนคือความทุกข์ใจความเสียใจมีความยินร้ายเขาเรียกยินร้ายพอเราพลิกปั๊บมันหายปวดเราสังเกตดูความยินดีมันเกิดขึ้นเนี่ยยินดียินดีมันก็ยึดยินร้ายมันก็ยึด เราตีเราีความมาที่ยินดีกับยินร้ายตัวยินดีกับตัวยินร้ายคือตัวตัณหาที่มันอยู่ในจิตมันอยู่กันในจิตเพราะเวลามันทำงานมันเป็นก้อนเป็นแท่งอันเดียวกันเราจะไปแยกมันแยกนี่แย ก, แยกไม่ได้มันเป็นก้อนเป็นแท่งอันเดียวกันเวลามันทำงานกายเวทนาจิตมันทางานรวมกันเป็นอันเดียวกันความยินดีกับความยินร้ายความยินร้าย ทุกเวทนามันพอใจที่ไหนนี่นจิตใจมันพอใจที่ไหนมันเดือดมันนานสารพัดเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับอะไรเหมือนกับกบเหมือนกับงูถูกแทงเหมือนกับปลาถูกแทงหัวเนี่ยดินด่นดิ่นเราไม่ยอมรล่อยราบรงที่มือนดิน่นลกตาโลูกตาท่านชายกำบัางไงท่านชายกำบ่งไม่ต้องไม่ต้องการให้มันหาย ต้องการให้มันทราบว่าความจริงถึงที่สุดของมันคืออะไรเป็นอะไรถ้าต้องการทราบความจริงนี่อันนี้คือเคล็ดคืออุบายที่อุบายอาจารย์แนะนําเราต้องการทราบความจริงเราไม่ต้องการหายอย่าไปอยากหายอยากหายคือตั้หามลุกรึ่มต้องการทราบความจริงความจริงเกินนี้ความจริงเกินนี้ตายหรือเปล่าตายหรือเปล่าไม่เห็นตายเลยตายหรือเปล่าตายหรือเปล่าตายหรือเปล่าตายหรือเปล่า ไม่ปล่อยมันหมุนเตี้ยอยู่นั่นแนหะไม่ปล่อยสติสัมปชัญญะหมุนอยู่นั่นแนหะขยับไปไหนไม่ได้ห่างไปไหนไม่ได้พอ้อมอยู่นั่นแนหะเดี๋ยวเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ความอัศจรรย์หมุนอยู่นั่นแหละหมุนจนเลยขั้นนั้นเลยระดับนั้นไปเรเห็นที่เราไม่ผ่านเราเราไม่เคยหมุนใ ห, ให้เลยตรงนี้ไปเกินตรงนี้ไป เราถือว่าหมดแรงสุดเขตหมดหมดแรงสุดริบหมดแรงเนื้อแบกเนื้อหาถือว่าเราจะยอมเราจะยอมเราก็ต้องระวังเสมอย่างตอนนั้นอนะ่ะทุกเต็มที่เราตอนนี้เราจะพลิกจะเปลี่ยนให้เลยนะพยายามจับมันกินทั้งความทงงานะั้งหานออนยนะต่าหานี่พอตอนยินร้ายพอตอนยินร้ายมันก็ให้เราพลิกให้เราเปลี่ยน พอเริกเราเปลี่ยนให้มันปรับมันก็จะยินดีเห็นไหมมันเอาทั้งยินดีมันเอาทั้งยินร้ายให้เราระวังพอเราพลิกปรัหายหายเราเราทำความรู้ทาความรู้สึกว่าหายหายทาความรู้สึกว่าหายอย่าไปยินดีกับมันอย่าไปยินดีแต่คำว่ายินดีกับยินร้ายมันละเอียดนั่ละเอียดมากละเอียดมากสังเกตถ้าไม่สังเกตจะไม่รู้อีก มันมีคำยินดีคำกินร้ายน้องตาท่านให้ดูเวทนาแล้วย้อนดูมาที่จิตให้ดูเวทนาก็ย้อนดูไปที่กายดูตรงนั้นอะดูไอ้ตรงที่มันเป็นนั่นแหละดูกายทําความสำคัญว่าเป็นกายแล้วก็ทาความสำคัญว่าเป็นเวทนาอ๋อเวทนามีลักษณะอย่างนี้ย้อนไปทําความสำคัญอ๋อกายตรงนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็ย้อนมาที่จิตย้อนมาที่จิต ลอ ง, ลองอยอหัดย้อนลองดูมันจะทำให้เราได้ข้อที่แตกต่างที่แปลกบลาดอาัศจรรย์มันก็จิตตัวนี้แหละเป็นผู้ทำงานย้อนมาดูจิตได้ยังไงย้อนมาดูจิตเราจะเห็นว่าจิตนี่มันยินดีหรือมันยินร้ายถ้าจิตไม่ยินดีจิตไม่ยินร้ายปัหามันยังไม่ลบคล้ำจิตของเราตัญหามันยังไม่ลกคล้ำจิตของเรา แสดงว่าสติเราอย่างมันงมญญม่นคงสัมผัสชั้นญาณเรามั่นคงจับให้ต่อเนื่องไปอย่าปล่อยจับให้ต่อเนื่องไปอย่าปล่อยอพอจะจับได้ไหมเวลาเราไปเจอเจ็บเจ อ, เจ อ, เจอปวดเจออะไรเราก็หัดพิจารณาตามนีหัดต่อสู้ถึงแม่ว่าจะยอมแพ้แต่ให้เราวัง พอมันหลบจากคมดาบอันหนึ่งมันจะมาเจอคมดาบอีกอันหนึ่งมันหลบจากชินร้ายมามันจะมาเจอยินดีนะเนี่ยมันเอาแต่ขึ้นังร่องตังหาถ้าเราไม่พยายามหมุนอยู่ข้างในเราหาเรื่องเล่นงานมันไว้ละไม่ต้องดูไม่ต้องเห็นเงามันแล้วแม้แต่เงามันก็ไม่เห็นไม่ต้องพูดถึงตัวมันละไม่เห็นเลยแหละแต่ถ้าเราเล่นอยู่ข้างในเราจะเห็น เห็นรูปเห็นร่างเห็นตัวเห็นอะไรต่ออะไรของมันอันนี้เราพูดด้วยอุปมาสิ่งเหล่านี้มันมีแต่กียิยาอาการที่มันแสดงออกมาเื่อนั้ปัญญาก็ทำงานสิ่งเหล่านั้นมันคอยแทรกเข้ามาเวลามันมาปะทากันบุ๊บเป็นระเบิดเหนืบึ้มลองดูดิบึ้มเธอหนึ่งโอ้โหราบไปมารุ้ต้องกี่วันน่ะราบ โอ น, นี้เราเลยไปหลายนาทีเลยนะเราไม่ขาดทุนหรอฮะขาดทุนไปหลายนาทีแล้วเพราะมันเลยไปนะเสียสัจจะไหมเลยไปหลายนาทีแล้วเนี่ยเหรอไหมเราหาโอกาสที่เราจะนั่งต่อสู้นานๆนี่ยากเรานั่งแป๊บเดียวนั่งแป๊บเดียวนั่งแป๊บเดียวเจ็บปวด เราเริ่มเราหัดหัดต่อสู้เอาเข้ายี่สิบนาทีโอ้ยสู้มันยังไม่ได้ถอยซะก่อนแต่ระวังหลอบจากคมดาบหนึ่งของมันมาเจอคมดาบหนึ่งอย่างที่พูดมีเียยินดีกับยินร้ายดูมาที่จิตถึงจะเห็นถ้าไม่ดูมาไม่เห็นดวงตาท่านให้ดูที่เบทนาดูที่กายย้อนมาที่จิต ย้อนไปที่กายย้อนมาที่จิตย้อนไปที่เวทนาย้อนมาที่จิตในระหว่างที่ย้อนไปย้อนมาดูความแตกต่างระหว่างที่จิตของเรามันเดินทางทำความรู้สึกเราต้องเปลี่ยนขณะอยู่อย่างนี้เลยใช้เจตนาเต็มร้อยใช้เจตนาเกินร้อยเพื่อที่จะเจาะที่นี่แล้วก็ไปจาะที่นู่นจาะที่นู่นก็ไปจาะที่นี่ จาที่กายแล้วก็จอไปที่เวทนาเจอเวทนาที่เจาเป็นกายเจอไปที่กายเอาผู้รู้ของเราหนไปอยู่ทั้งกลางเวทนาเลยพิจารณาอย่างนี้เอาสติปัญญาของเราพิจารณาสติตัวโรู้ตัเล่านทย่อคั้นมาดูจิตเราดูจิตเราดูไม่เห็นดอกถ้าเราไม่ดูกิยาการเข้ามาดูความยินดีของจิตดูความยินร้ายของจิต ดูความยินดีเขาเฉียดดูความยินร้ายเขาเฉียดเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ได้ความอัศจรรย์แเราย้อนกลับไปย้อนกลับมามาดูตรงนี้มันจะเห็นข้อแตกต่างมันจะได้รับความอัศจรรย์แล้วมันมันจะบอกในตัวแหละมันจะเกิดความรู้ความ เ, เ, เห็นแปลกแปลกนี่มันเนี่ยนี่เป็นวิธีการต่อกกอดกันตรงตาท่านว่าเป็นธรรมะเพชฌฆาเป็นธรรมตะลมบอนนี่แหละตะลมบอน รรมเรียกว่าเป็นธรรมเพชฆาตเพราะกิเลสมันกลัวกิเลสกลัวมากธรรมะขอนี้กิเลสกลัวมากกิเลสมันหัวหดเลยละ่ะเหมือนดาบเพชรแหววาวคมวักยกไปโชว์เลยหัวนี่หดไปเลยละ่ะกิเลสมันหัวหด เอาไปพักเอาแรงภาวนาจนหลับนะภาวนาจนหลับพรุ่งนี้เราก็ทำต่อเหลือพรุ่งนี้และมะรืนนี้แต่พรุ่งนี้มันจะมีช่วงเช้าเรามาพบกันเท่าไหร่ตีห้าบ่มาร่วมกันที่นี่ตอนตีสี่ตีสแต่ว่าหลวงพ่อจะขึ้นมาตีห้ามาพาทาบัตสวดมนต์ ตีสี่ครึ่งแล้วก็ตีห้าตีห้าเราขึ้นมาเพื่อพธรรมวัตสวดมนต์แล้วเราก็จะพานั่งภาวนาไปแล้วก็จะพูดก็จะอบรมใครมีความคิดเห็นอะไรก็ไปเขียนมาแลกะก็มาถามมาตอบก็ทำให้ทุกคนในนี้ได้ไ ด, ไ, ดได้รับได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจ เพราะมันเป็นมันเป็นการไขข้อข้องใจมันเป็นการไขถูกจุด